เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบุตสัตว์อุบาสอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมัสวนะวันฟังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตสัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมคำสอนต่อพระ อ, อริยสงสาวโลกทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนด้วยคือมาชำระกายกวาจาใจ ให้สะอาดบริสุทเพราะความสะอาดของกายวาจาใจนำความสุขและความเจริญมาให้นั่นเองสิ่งที่ทำให้กายวาจาใจไม่สะอาดเศร้าหมองเรียกว่าอกุศลอกุศลนี้แปลว่าความไม่ฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดอกุศลแปลว่าไม่ฉลาด อกุศลก็คือการกระทาที่ไม่ฉลาดนั่นเองคือไม่รู้ว่าทำไปแล้วเกิดโทษกับตนอกุศล น, นั้นท่านก็แบ่งไว้สามมีอยู่สิบประการด้วยกันแบ่งไว้สามส่วนอกุศลทางกายอากุศลทางวาจาและอกุศลทางใจ ทางกายก็มีอยู่สาทางวาจามีอยู่สและทางใจมีอยู่สรวมกันก็เป็นสิบอกุศลทางกายมีอะไรบ้างคือมีหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การยักรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณีอกุศลทางวาจา มีอยู่4คือ 1. พูดบท 2. พูดคำหยาบ 3. พูดเพ้อเจ้อสพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีส่วนอกุศรทางใจก็มีอยู่ 3. ได้แก่ความโลภความกรัและความหลงนี่คืออกุศลที่เราต้องหมั่นชำระ ก, กันอยู่เรื่อยๆ ถ้าอยากจะให้ใจของเรามีความสุขอยากจะให้ใจของเราจเจริญเพราะถ้าเราไม่ชำระแนละ้วใจเราจะมีแต่ความเศร้าหองและใจเราจะตกต่ำจะเสื่อมลงไปตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันอยู่ถ้าเราไม่คอยชำระอกุศลใจของเราก็จะเสื่อมลงไปเป็นเว ร, ร, รัฉานบ้าง เป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะว่าความเป็นไปของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ไข่ทั้งนั้นแต่อยู่ที่การกระทําของเราว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าทําทํากุศ ล, ก, ศลก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญ ถ้าความอากุศลก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสือ่อมดังนั้นขอให้เราหมั่นชำระกายวาจาใจของเราอยู่อย่างสม่ําเสมออย่างน้อยที่สุดก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นในวันพระถ้าเราไม่สามารถมาในวันพระมาวัดในวันพระได้เราก็มาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดทำงานของเราแทนก็ได้เพราะว่าการชำระนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันพระเทนั้นการการชำระนี้เราชำระได้ทุกวันแต่ถ้าเรามีภารกิจการงานที่จะต้องทาและไม่สะดวกต่อการชาระเราก็รอเอาวันหยุดของเรามาชำระกัน เหมือนกับเราเอาเสื้อผ้าที่เราใส่นี้มาซักกันในวันที่เรามีเวลาว่าเช่นวันที่เราหยุดทํา ง, งานอย่างเมื่อกี้นี้ญาติโยมก็ได้มาสมาทานศีลห้าศีลห้าก็เป็นการมาแก้อกุศลนี่เองมาชําระอกุศลทางกายและทางวาจา ทางกายก็คือจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะละเว้นจากการลักทรัพย์จะละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีการกระทำเหล่านี้จะชำระอกุศลทางกายให้หมดไปได้ส่วนอกุศลทางวาจา ก, ก็ละเว้นจากการพูดโกหแล้วก็เพิ่มละเว้นจากการพูดคาหยาบ ละเว้นจากกา ร, การพูดเพ้อเจ้อละเว้นจากการพูดส่อเสียดคือพูดยุดยงให้เกิดความแตกแยกสามนทีเป็นการพูดที่ไม่ดีพูดไปแล้วจะทาให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวเราเองและแก่ผู้อื่นเพราะว่าเป็นเหมือนขยะทางเสียง คนฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ไพเราะหูฟังแล้วก็บาดหูแสบหูไม่ควรที่จะไปพูดเพราะจะทำให้เราเป็นคนที่น่าเกลียดไม่มีใครอยากจะคบค่าสมาคมด้วยการพูดกลดนี้ก็ไม่ดีเพราะจะทำให้เราไม่มีเครดิตคนจะไม่เชื่อถือเรา ต่อไปเราพูดอะไรจะไม่มีความหมายคนที่พูดความจริงตลอดเวลาจะเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือเชื่อถึงเป็นจํานวนมากเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ทรงตรงตัสทุกคําพูดของพระองค์นั้นเป็นความจริงทั้งหมดเป็นสวากขาโตภะวะตาธรรมโม เป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วคือถูกต้องตามความจริงทรงตรัสว่าอากุศลสิบนี้เป็นเหตุของความทุกข์และของความเสือ่อมถ้าเราไม่อยากจะพบกับความทุกข์พบกับความเสือ่อมเราก็ต้องมันชำระอกุศลสิบให้หมดไปจากจิตจากใจของเราอย่าไปเห็นอะไรที่ดีกว่า การชำระอกุศลเหล่านี้บางครั้งการชำระอาจจะต้องไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ของเราเช่นเราทำมาหากินบางครั้งเราก็อาจจะต้องพูดโกรธบ้างแต่ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราได้มาจากการพูดโกรนี้กับสิ่งที่เราต้องเสียไปนี้มันไม่คุ้มกันเราก็อย่าแป พูดปดดีกว่าเพราะสิ่งที่เราได้มามันก็เป็นเพียงสมบัติชั่วคราวเท่านั้นสมบัติในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่พอเราตายไปแล้วเราจะเอาไปไม่ได้เราจะเอาสมบัติที่เราทำลายไปก็คือการพูดปดทำให้จิตใจเราเสื่อมต่ำลงไปจากการเป็นมนุษย์ก็จะกลายเป็น เป็นอบายไปจะต้องไปเกิดในอบายภูมิใดภูมิหนึ่งดังนั้นทุกครั้งที่เราจะทำอกุศลกอให้เราลำเลิอกถึงผลที่ไม่ดีที่จะตามมาอากุศลนี่เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรไปตกนรกไม่ใช่อะไรทั้งหลายทั้งสิ้นที่ ทำให้สัตว์โลกไปนอกจากการกระทมที่เป็นอกุศลนี้เท่านั้นดังนั้นเราควรที่จะชำระอกุศลให้มากอาทิตย์ละครั้งนี้เป็นอย่างต่ำถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะชำระอยู่ทุกวันเพราะจะทำให้จิตใจกายวาจาใจของเราสะอาดทำให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลา อกุศลทางใจก็มีอยู่สามได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงความโลภนั่นก็เกิดจากความหลงส่วนความโกรธนี่ก็เกิดจากความโลภความหลงคืออะไรความหลงก็คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงจากเป็นดอกบัวเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงนั่นเอง พวกเรามักจะเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขกันเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเป็นตัวเราความหนง n หนักนี้ทําให้เราต้องทุกข์ทรมานใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เราต้องไปเลี่ยนโนขวนขวาย ความทุกข์มาใส่ตัวเราอยู่เรื่อยๆเพราะเราเห็นความทุกข์เป็นความสุขนั่นเองอะไรเราที่ที่เป็นความทุกข์ก็โล ก, กธระทก็คือลาภโยตสารเสริญสุขนี่เองคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันลาภก็คือสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ยศก็คือตำแหน่งต่างๆสลเสริญก็คือความยกย่องนินความยกย่องความพูดพูดเอาอกเอาใจแล้วก็ความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายก็คือการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลธรราชนิดต่างๆอย่างเช่นเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มต่างชนิดต่างๆ รับประทานอาหารขนมน ม, นมเนยชนิดต่างๆหรือการดูรูปต่างๆการฟังเสียงต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขใจเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่เป็นความสุขพิชชั่วคราวหรือเป็นความสุขที่ผิวเผินเป็นเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาล เป็นเหมือนแยะน้ำตาลที่เคลือบอยาขมสุกเดียวเดียวแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความขมขื่นขึ้นมาเช่นเงินทองลาบ น, นี้เวลาได้มาก็ดีอกดีใจเวลาหมดไปก็จะเสียอกเสียใจจะทุกข์ยากลำบากเพราะว่าติดอยู่กับการใช้เงินใช้ทอง ไม่รู้จากอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองคนเราถ้ามีปัจจัยสี่มีอาหารและประทานไปวันวันนึ่งนี้ก็อยู่ได้แล้วถ้าไม่มีเงินทองก็อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอยู่บ้านก็ทำงานที่บ้านคอยกวาดคอยถูบ้านจับบ้านดูแลบ้านให้สะอาด อย่างนี้ก็มีความสุขได้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแต่พอไปติดกับการใช้เงินใช้ทอง<ม>ก็จะเอาเงินทองนี้มามาซื้อความสุขต่างๆพอเวลาที่ไม่มีเงินทองก็จะต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าซศยน้อยเหาว้าหวเป่าเปลี่ยวเดียวดายพราะไม่สามารถที่จะไปซื้อ ความสุขต่างๆได้นั่นเองพวกเรามักจะมองด้านเดียวคือด้านความสุขที่เป็นเหมือนน้าตาลที่เคลือบความทุกข์อยู่เราไม่มองถึงเวลาที่น้ําตาลมันละลายหมดไปแล้วแล้วก็เหลือแต่ความทุกมาให้เรา <c oughs> ต้องแบกต้องร้องโหยร้องไห้ต้องเศร้าสศกเสียใจกันทุกวันนี้ชีวิตของพวกเรา ก็ทุกอยู่กับเรื่องทั้งสี่นี้แหละคือเรื่องลาบยศสารเสริญและสุดเวลาเราไม่มีเงินเราก็ทุกเวลาที่เราไม่มีตําแหน่งถูกเขาปลดออกก็ทุกเวลาถูกเขาสารเสิ่ถูกเขานินทาดู ด, ด่าว่ากล่าวก็เกิดความทุกเวลาที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกินรสผลพระก็เกิดความทุกขึ้นมา แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เที่ยมนั่นเองเขาไม่แน่นอนเขาบางครั้งก็อยู่กับเราบางครั้งก็ไม่อยู่กับเราแต่นี่เรามีความหลงจึงไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเรา <c oughs> เป็นสมบัติชั่วคราวซักวันหนึ่ง ไม่เขาหรือเราก็ต้องจากกันไปเขาอาจจะจากไปก่อนหรือเราอาจจะจากไปก่อนก็ได้แต่เราจะไม่อยู่ด้วยกันไปตลอดจะไม่เป็นของกันและกันไปตลอดเพราะว่าชีวิตของเรานี้มีวันสิ้นสุดลงนั่นเองมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายตามมาในที่สุด เวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเวลาเราไปเราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จึงไม่ใช่เป็นของเราสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือกุศลและอกุศลเท่านั้นกุศลก็คือความเจริญความไม่หลงไม่โลภไม่โกรธนี่เองส่วนอกุศล ก็คือความหลงความโลภความโกรธ ถ, ถ้าเราอยากเอาเอกุศลไปเราก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่ไปหาความทุกข์ใหม่มาต่อไปเพราะความหลงจะหลอกให้เราโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากนี้ก็จะผลักดันให้เราไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปทุกขกับชีวิตใหม่ต่อไปเหมือนกับที่เรากำลังทุกอยู่กับชีวิตนี้ถ้าเราสังเกตดูเราเห็นว่าความทุกของเราก็เกิดจากความโลภนี่เอง <c oughs> คือความไม่อิ่มไม่พอมีมากหรือมีน้อยก็ยังรู้สึกว่ามันไม่พอสถทียังอยากได้สิ่งนั้นยังอยากมีสิ่งนี้อยู่ แล้วพอไม่ได้ก็จะเกิดความโกรธเวลาใครมาขับขวาง ม, มาหา้ามไม่ให้เราโลภไม่ให้เรายาะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะโกรธเขาขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความหลงเราจึงต้องใช้ธรรมะคาสอนของพระพรทเจ้ามาแก้ความหลงก็คือปัญญานี่เอง ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่ให้ความทุกข์แต่ให้ความทุกข์มากหลายสิบเท่าด้วยกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลีป่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลีป่ยนแปลงไปเสมอ และไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราเป็นตอวเรานี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราสามารถสอนใจของเราอยู่ได้เรื่อยๆ mm hmm. เวลาใดที่เราเกิดความโลภขึ้นมา mm hmm. เราก็จะได้บอกเราว่าไม่ดีนะ mm hmm. เป็นทุกข์นะได้ขามาแล้วแทนที่จะเป็นความสุข อยากกลายเป็นความทุกข์ไปเช่นเวลาเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกมีความว้าเหวอยากจะมีเพื่อนอยู่ด้วยอยากจะมีคู่ครองเราก็จะออกไปหาคู่ครองแต่ถ้าเรามีปัญญาคอยสอนเราก็จะสอนว่าอย่าไปมีคู่ครองนะเพราะว่าความสุขที่ได้จากคู่ครองนี้มันน้อยมาก แต่ความทุกข์ที่จะได้จากคู่ครองนี้มีมากมายกลายกองเพราะว่าเมื่อเราได้เขามาแล้วเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเราก็จะทุกข์ใจเช่นเวลารู้จักกันใหม่ๆเขาก็ดีไปหมดทุกอย่างแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเคยดีก็กลับไม่ดีอย่างนี้ก็จะทาให้เราทุกข์ใจเสียใจ แล้วเคยอยู่ด้วยกันแบบไม่ทะเลาะกันแต่พออยู่เปนานๆเข้าก็เริ่มทะเลาะเบาแวงกันเพราะต่างคนต่างเอาใจของตัวเองเป็นที่ตัง้งเวลาที่รู้จักกันใหม่ๆก็เอา อ, อกเอาใจกันอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรก็ตามใจทุกอย่างแต่พอได้อยู่เริ่มกันแนละ้วทีนี้ต่างคนก็ต่างอยากจะทำตามใจของตัวเอง พอคนหนึ่งอยากจะทาอย่างหนึ่งอีกคน่อยากจะทาอีกอย่างหนึ่งเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ต้องทะเลาะบอกแว้งกันถ้าไม่ควบคุมอารมณ์ก็เดี๋ยวก็เกิดการทุบตีกันได้ทำร้ายกันได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเขาดีกับเราทุกอย่างเราก็ต้องเกิดความทุกข์ที่เราต้องไปห่วงเขาต้องไปห่วงเขาไม่อยากให้เขาจากเราไป ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาแย่งของเราไปพอเวลาที่เขาไม่อยู่สักวันหนึ่งหรือกลับมาบ้านช้าหน่อยสายไหนก็จะเกิดความหหวงใหญ่ขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลต่างๆขึ้นมาดั่างนั้นไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีเขาก็กลายเป็นความทุกข์ให้กับเราขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวได้เราก็ไม่ต้องทุกข์กับเขา เขาจะดีไม่ดีก็ไม่ทำให้เราต้องวุ่นวายใจเขาจะกลับมาบ้านเร็วหรือช้าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับเขาเราอยู่คนเดียวได้วิธีที่เราจะอยู่คนเดียวได้เราก็ต้องสร้างความสุขภายในตัวของเราขึ้นมาทุกวันนี้พวกเรา อ, อาศัยความสุขจากสิ่งภายนอก อาศาัยความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสผลตภะต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่ามันไม่แน่นอนมันมาและมันไปได้บางทีอยากจะได้ก็ไม่ได้ก็มีบางทีได้มาแล้วก็เปลี่ยนไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปจากใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไปทําให้เกิดความเบื่อน่าย เคยเห็นหน้าจำเจซ้ำซากก็เบื่อขึ้นมาอยากจะหาหน้าตาใหม่ๆมาทดแทนนี่คือเรื่องของราบยศเสริมสุขรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ให้ความอิ่มความพอกับเราเขาจะไม่ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวเขาจะต้องให้ความหิวความอยากและความทุกข์ กับเราอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการหาความสุขแบบนี้ด้วยการมาหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราที่เราไม่ต้องไปหาจากที่อื่นหาจากคนอื่นของที่มีอยู่ในตัวเรานี้ก็จะเป็นก็จะอยู่กับเราไปตลอดความสุขที่พูดถึงนี้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เอง ใจที่สงบระงับจากความโลภจากความโกรธจากความหลงนี่เองเราจึงต้องพยายามกำจัดละความโลกความโกรธความหลงให้ได้ด้วยการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญานี่เป็นธรรมะหรือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราถอดถอนชำนะะอกุศลทางใจได้ ต้องมีสติก่อนสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่เราจะดึงใจของเราผูกใจของเราไว้ไม่ให้คิดเรื่อยเปือ่อยเพราะความคิดเรื่อยเปือ่อยนี้นำความฟุ้งซ่านมาให้นำความทุกข์มาให้นำความวิตกกัวงวลต่างๆมาให้เรื่องต้นเราต้องควบคุมความคิดนี้ก่อนอย่าให้คิดเรื่อยเปือ่อยดึงเข้ามา ให้ให้นิ่งให้สงบให้ได้ด้วยการใช้เชือกนี้ดึงเข้ามาเชือกนี้ก็มีอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกันเรียกว่าสติการมีใจจดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายเหลน่นี้ก็เรียกว่าการมีสติอยู่ที่ร่างกายเรียกว่ากายกตาสติเช่นให้ใจจดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไม่ว่ากําลังทําอะไร ก็ให้รู้อยู่ว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินอยู่อย่าให้ใจไปรู้เรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้หรือเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตไม่ให้คิดต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มาดูใจดูกายของเราเฝ้าดูกายของเรา เวลาทำอะไรก็ให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังรับประทานก็ให้รู้ว่ากำลังรับประทานเช่นะกำลังตัดข้าวเข้าปากกำลังเคี้ยวกำลังกลืนเนี่ยต้องให้รู้อยู่ทุกขั้นตอนเลยถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถควบคุมความคิดของเราได้เวลาเวลาจะคิดไปโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะสามารถหยุดได้ แล้วถ้าเราหยุดความคิดของเราได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขคนี้แหละที่จะทำให้เราตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปได้เพราะเป็นความสุขที่มีคุณภาพหรือมีมีความมีกำลังมีน้ำหนักมากกว่าความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ถ้าได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ข, ของใจแล้วจะไม่อยากได้อะไรเพราะเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์เจือปนและไม่มีวันเสื่อมคลายจากตัวเราไปเราสามารถเอาติดตัวกับเราไปได้ทุกคนทุกแห่งทุกพบทุกชาติตายไปเราก็เอาความสุขนี้ไปด้วยกับเราได้เพราะติดอยู่ภายในใจของเรา แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่งจะจากเราไปได้แล้วนะจะไม่เสื่อมไปจากใจของเราถ้าเราคอยคอยเจริญอยู่เรื่อยๆคอยรักษาคอยสร้างขึ้นมาอยู่เรื่อยๆด้วยการควบคุมความคิดของเราด้วยสติเมื่อเราควบคุมความคิดได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาความคิดนี้มาคิด ในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรก็คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดให้คิดให้เป็นไปตามหลักความจริงคือให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ตลอดเวลาใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ ยังไม่มีความโลภอยากได้อะไรเมื่อไม่อยากเมื่อไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธแล้วก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมาทุกขกับสิ่งต่างๆเพราะว่าใจมีความสุขมีความอิ่มพออยู่ในตัวของตนแล้วไม่จาเป็นต้องมีอะไรอีกแล้วดูพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่าง ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องอาศัยความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสิงกิน่นรสแต่พอพระ อ, องค์ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจแล้วก็ทําให้พออระองค์สละทรัพย์สมบัติสละราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้เพื่อที่จะได้ไปบําเพ็ญสร้างความสุขที่ เกิดขึ้นภายในใจนี้ให้มีขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดก็สามารถทำสำเร็จคือต้องทำลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจถ้ายังไม่หมดความโลภความโกรธความหลงนี้ก็จะสร้างความทุกข์สร้างความหิวสร้างความอยากให้กับใจอยู่ต่อ อย่างนั้นถึงมว่าเราจะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสุขไปตลอดเพราะว่าถ้าเราเวลาใดไม่ควบคุมจิตใจของเราด้วยสติไม่ให้คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงพอไม่ได้ควบคุมปั๊บใจของเราก็จะคิดไปทางความโลภความโกรธความหลงทันทีความสุขก็จะหายไป ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาความหิวความอยากก็จะเกิดขึ้นมาดังนั้นถ้าอยากจะได้พบกับความสุขแบบนี้อย่างถาวรเราก็ต้องพยายามปฏิบัติตลอดเวลาเริญสติอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจของเราตลอดเวลาไม่ให้คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงให้คิดไปในทางธรรมะเพียงอย่างเดียวให้คิด ตามที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดคือให้คิดว่าไม่มีอะไรเที่ยมแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นสุขไม่มีอะไรเป็นของเราพอเราคิดอย่างนี้ได้ตลอดเราก็จะมีความสุขความอิ่มอยู่ตลอดเวลานี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการชำระอกุศลทั้งสิบประการคือชำระความทุกข์ชำระความเสื่อมเสียต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจให้เหลือแต่ความสุขและความเจริญนี่คือหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าทำแทนเราไม่ได้พระพุทธเจ้าเพียงแต่สอนให้เรารู้จักวิธีทำเท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำเองอัตตาหิตอัตโนนาทโถตนเป็นที่พึ่งของตนทำด้วยวิริยะคือความ ขยันเหมือนเพียรทำด้วยขันติความอดทนถ้าเรามีความขยันมีความอดทนแล้วการชำระอกุศลทั้งสิบประการนี้ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระนี้มาชำระอกุศลทั้งสิบประการนี้ให้ท่านนำเอาไปเพื่อนิพพ์พุทาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพิญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็วแ้าปลอดภัย